4. การดูจิตเบื้องต้นให้ดูเจตสิกดูจิตนี้ถามว่าดูอะไรอยู่ๆจะไปดูตัวจิตได้ไหมดูไม่ได้นะเพราะจิตเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรให้ดูได้เลยเบื้องต้นให้ดูความรู้สึกไปก่อนความรู้สึกไม่ใช่จิตความรู้สึกเป็นเจตสิกมีชื่ออีกอันหนึ่งว่าเจตสิกไม่ใช่จิตจริงๆหรอกความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์เหล่านี้ให้หัดรู้ไปจิตมันสุขจิตมันทุกข์ จิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงคอยรู้เรื่อยๆไปเราจะเห็นเลยว่าจิตที่มีความสุขก็ชั่วคราวจิตที่มีความทุกข์ก็ชั่วคราวจิตโลภโกรธหลงล้วนแต่ชั่วคราวเฝ้ารู้อย่างนี้เราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราดูนามกายคือร่างกายของจิตได้แก่ความรู้สึกทั้งหลายนั่นเองเขาเรียกว่านามกายนะเพราะฉะนั้นเราดูจิตเกิดดับไม่ได้แต่เราดูเจตสิกเกิดดับได้ เราจะเห็นเลยว่าจิตที่โกรธมันเกิดแล้วดับจิตที่โลภมันเกิดแล้วดับเห็นอย่างนี้ต่อไปมันจะค่อยแยกแยะออกไปอีกความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกคราวนี้มันจะไปเจอตัวจิตจริงๆไม่มีร่องรอยเลยนะไม่มีรูปลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นเพียงแต่ธรรมชาติรู้เท่านั้นเองเราจะเจอจิตจริงๆต่อเมื่ออริยมารเกิดตอนที่อริยมารเกิดจะเห็นจิตที่เป็นอิสระไม่มีอะไรห่อหุ้มโผลออกมา ฉะนั้นตอนนี้ที่เราว่าดูจิตดูจิตนะที่จริงเราดูเจตสิกดูความรู้สึกไปก่อนคนไหนดูความรู้สึกชำนิชำนานหลวงพ่อบางทีก็สอนให้ดูจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหเห็นไหมว่ามันต้องไปอิงอะไรสักอย่างหนึ่งเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้ถ้าไมไปอิงเจตสิกคือความโลภโกรธหลงสุขทุกข์ ก็ไปอิงกับอายตนาได้เราจะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับเราจะเห็นจิตมันเกิดดับความจริงเห็นโดยการผ่านอย่างอื่นมาอีกทีหนึ่งฉะนั้นเบื้องต้นก็หัดอย่างนี้แหละหัดดูความรู้สึกของตัวเองแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนขณะที่ได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนเช่นนั่งอยู่เฉย ใจมันก็โผล่ขึ้นมาเึกขึ้นมาเห็นหน้าของคนนี้โผล่ขึ้นมานึกขึ้นมาไอ้คนนี้เป็นศัตรูของเราเมื่อสิบปีก่อนลืมมันไปนานแล้วนะอยู่ๆหน้ามันโผล่ขึ้นมาความโกรธอันใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วรู้ทันเลยความโกรธเกิดขึ้นแล้วนั่งอยู่ในบ้านดีๆอยู่ๆก็โกรธขึ้นมาเพราะมันคิดเดินไปเดินไปคนมาชนเราแทบจะตกรถไฟฟ้าคนมาเบียดเราแล้วเรามโหรู้ว่ามโหเห็นไหม การกระทบทางกายทำให้เกิดรู้สึกที่ใจนั่งอยู่ดีๆมีคนมาหาบอกว่าพี่ฉลาดเหลือเกินใจมันพองนะหูได้ยินเสียงใจมันพองรู้เลยว่ามันพองคอยรู้ใจของเรารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเล่นๆไม่ต้องสนใจว่าจะรู้ไปถึงเมื่อไรรู้ทุกวันทุกวันนั่นแหละถ้าทำแบบนี้การปฏิบัติจะง่ายนิดเดียวเพราะทาแบบไม่หวังผลได้ผลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่ได้ผลก็ช่างมัน มีสติในชีวิตประจำวันก็มีความสุขอยู่แล้วนี่